ออกมาบ่ละอครับผมฮะอย่ผ้อดอยู่นหม่ยอยู่อยู่เลยอยู่ย่ยอมอยู่อือันนี้ตั้งใจสิว่าอยู่มันอะไรมันแดดบัหนาวีนี่ไม่ไแร้วเาสิฮ้อนกันดีขึ้น เง <c oughs> ินบาทมันเช่า้ามัน้ยไปไก่โคา <c oughs> ไม่บาทไปท่านนี่ไ <c oughs> <c oughs> ก่โคดพลังพลเ่ามาจัดสินนะใส่บาทยู่ส้มส้มใส่บาทพาาูดไรว่าจะ นัดเสบาทนัดเวลาก็ไปก่อนเวลานีดหน่อยจริงต้องไปแปดโมงเศ้าปวดรับมาแล้วก็ม้วนไห้่ผาด้วยพราะดีก็ค่อยอีกตัว <c oughs> ต้องไปวันเป็นไปเอาขวางไปออกบริหารร่างกายันก็นดี ลดลงขั้นก็กดท้ายลูกบ uh uh ้านคนไทยว่าจุนว่ออยู่ไม่ได้กาให้ไกลได้ต่อ่าจะอยู่ไม่ได้กาใส่เกือบสำการเผยแผ่วัตถุนาไม่ใช่ว่าจะเป็นเทพเจงเลยเดินบินบาทก็เผยแผ่ ถ้าขาดการเตทบาตรเผ่แผ่พุทธศสนายากนะแตก็ไม่ห้ามประเทศนั้นไม่ห้ามแล้วก็ไปได้เ <c> ห <oughs> ็นไหมล้ว ก, ก็ยังไม่นึกคิดยู่ทางไปทางนี้ก็ยังไ้วแ่ามื่หลังก็ยังเอาไอ้ <c oughs> ถุงถั่วถุงอะไรมาใส่บาตอยู่เ <c oughs> ไปอยู่ประจำประจำ ต้องถือกติบ้านเราไว้ได้ใจหนามได้ใจหนามเ่ได้จะหลาบจะว่าห <c> า <oughs> อยู่หากินนี่ยเวลาเนี่ยเมื่อได้จะจะหลาบได้ใจหนามเกาตัว <c oughs> ไปตามหน้าที่เในะกิริยมรามนละยัตของพระเราตามทำวินัยออกนอกวัดควรทําอะไร แบบนี้เรามีเพศแตกต่างจากขลุหัดแล้วกิริยาอาการกายพระจ่าใจในหลักพระวินัยนุ่งห่มเป็นปริมณฑลปริมาณละลังลิวัสิตามิติสิก้ากรณียาปริมาณลลังปรูเบธามิติสิกากรณิยาห่มให้เป็นปริมณฑลสายตาจะ <c oughs> เดียวบอกแวกหาคนเบื้งคนเบืงนนบ้งนั้นเบื้งนี้ ว่าไอ้บึงไก่จากโปรตีนจากของไกช่ช่วงระยะช่วแอกไถยจกว่าแอกไถคนไถยหน้าเพื่อนเพื่จะไบึงสายตาไปเรื่อยเๆๆ่ ย, ย, ย, ย่ <c oughs> มาได้บอกแหวกหานันหานี่แ <c> ล <oughs> <c oughs> <c oughs> ้วก็บน เ, เป็นไปฝ่าวมันเปนไปซ่า ไปวกลางๆเขาก็ยางเรีวสิไปยังเรี้ยวไปแต่วง ก, กลางๆเพื่อว่านั่นไม่ให้ผู้อยู่ข้างหลัง <c oughs> เดินห่างผู้อยู่ข้างหลังก็จะเดินช้า <c oughs> เว้นไว้ว่าหนึ่งนีจะห่างกันหนึ่งวาหรือสองศอกห่างหลายมันก็บางงามทีหลายก็บางงาม ก็ไปตำกันยาพอ่อว่าละวังตั้มหลวงปู่หลวงปู่ยังแกงคนแจงทํางทายืนทุมน้ำไล่ทุมน้ำหมากเลยพระว่าะวังเป็นท้นหลวงปู่เออเดีวนี่่าาวนหน้าเดี๋ยวหลวงปู่ <c oughs> มาเป็นโทษไพ่ไปตำข้วาวจานเลยไม่ระมัดระวังเธอาหาใส่ บังปายตีนไปชั่วระยะถ้ามาห่างเกินไปจะไม่ทันเพื่อนก็ย้ำเดินเดียวน้อยผู้อยู่ข้างหน้าวันจะยำเอายำเอาปรไเดี๋ยวจะว่านี่ยเผยแผ่พระเจ้าประสงค์เผยแผ่ไม่วันจะเถิดเกงนี่ปฏิบัติตามหลักพระธรรมยังไงก็เป็นการเผยแผ่ภาษาจินิียามันเลยจ้าการนู่นผมอยู่ในบ้านการเดินอยู่ในบ้านการเดินอยู่ในวัดมันแตกต่างกัน เดอนเมื่อขันหลังก็ไปไ <c oughs> รเกินว่ามันทาไงภาษาพานธ์เฮ่อเมื่อขันาาหลังยจดคือเจ้าไ้ Perfect จออออิ้นคือคอยนั่นเจดคือคอยไอจิ้นคือเจ้า เห่คือเจ้าได้กินคือข่ตื่นกี่มาเมื่อคัดหลังบริเวณหนังปรทับหนังเรื่องผ้าข้อก็ไม่มีหนังหลีะเ้านีเจ้ผงก็ตวเจ้ดกบองใครแน่เผงทนยังตื่นีมาเคือเจ้าเหตุคือเจ้าคือน่ายเหรอไหมาได้ยุได้กินก็ได้ินคือ่ขาดแล้วะ เหยื่อคือคอยได้กินคือเจ้าเหยื่อคือข้ข า, อากืนขึ้นมากไม่ได้ยู่ไม่ได้นั่งคุณก๋วยเหยด่อทตื่นดึกเหมือนกาหาจินเหมือนไก่เห็นว่าไก่บ่มีเหล้าเขายัางเลี้ยงลูกใช่หรืลูกว่ามันหน่อยโตสมเดนมันมีเหล้าเขานะไก่ทาไมมีเรื่องเลี้ยงลูกได้ ไม่ใช่อยู่เฉยๆเป็นลูกเป็ดคนค ร, รอกันแล้วก <c oughs> ็อสั่งต้องสอนสอนใน้พูดที <c oughs> เเ่เป็นลูกเป็นเต้าเป็นลูกเป็นหลานได้ทําตามดิ <c oughs> ต้องขยันแล้วก็ประหยัดเดี๋ยวนี้เป็นประเทศของพวกเราหรอกนี่ถ้เห็นแก่ตัว ขี้เกียจเลี้ยงให้เกิดคนสองคนเกิดมากขี้เกียจเกิดมากมันเท่าแก่เลี้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเ้ ย, งยกินน้มเจ้าของกับตัวจงหมื่นน่นมันเถาเลีวกอนว่าพูนเห็นบอกเห็นแจะตัวว่ามันนมสัตว์ให้เขากิน <c oughs> เกิดเนื้คนอค้อนต้องสัตว์ีกินมันก็เป็นสัตว์ตีเหองปูแท็ เอาเนก้อนเนีกันตอ้เห็นมพอแม่ไเลี้ยงเองนี่จะจ้างเข า, าจาข้างเขาเอางานมาเป็นโลทางงานเขาก็หยุดให้ลูกไม่เต้าเราก็หยุดให้เลีาา้ยงอยูกง่ายตะก้อนนี้เลยเห็นแค่ตัวยุ่งยากจ้างเขามาเลี้ยงจ้างคนมาเลี้ยงให้ กบัวลูกลูกก็น่าร้องหมร้องให้ไม่สบายอยากไล่อะไรให้ซื้อให้ซื้อให้นั่นเห็นไหมโตขึ้นมาก็ได้ใจจับของเอาตามใจตัวริงๆเห็นว่เท่าบ้านชุ่มเงินางว่าเป็นไปโรงเรียนต่กระยานเบามันจะใส่มันจไซ่ทรบบดลเบาชุมืงินต้องปกเบิกอย่งปุ่นง่า เนาเป็นหนีได้หลายผลขวายไงพ่อแม่ว่าไ้เขาไปโรงเรียนมว่าไ ง, ขงเขาอางแง่นั่นนิอดีว่ากลับบ้านทำตัวบบเต็มมูเต็ดบ้านเต็ดยาโอ้โหไ้ท่านอดีทึงกลับไปไงแล้วกุ่นไหกันนั่นละคนเราชอบจุง้งคนเราชอบจุง้ง ไม่มีความสุขหรอกถ้าไม่มีศีลธรรมต้องจําเอาไว้ศีลธรรมไม่กลับมาโลกาพินาศศีลธรรมให้กลับมาอยู่ในหัวใจเราโลกของเรานี่ก็พินาศสังขารร่างกายเนี่ยเก็บใข้ได้ป่วยเป็นน่นเป็นนี่เพราะไม่มีศีลธรรมคุ้มครองเนี่รรยทำย่อมคุ้มค ร, รม <c oughs> องทเท่อทำปกป้องปกปักรักษาผู้มีธรรมหรือบุญบุญย่อมรักษาผู้มีบุญ ไม่ให้ตกทุกข์ได้ยากนะ <c oughs> เราทาตามำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า <c oughs> ถ้าเราทําตามคําสั่งสอนของพระเจ้ากถึงเวลาก็ปล่อยไปตามบุญตามกรรมถึงเวลาท <c oughs> ังสารร่างกายไม่เที่ยงเกิดแล้วแก่เก็บตาย <c oughs> <c oughs> นิดนิดน้อยเขาไปหาหมอนี่ยนิดตัวน้อยไปหาหมอ ไปแบเขาผ้าผ้าก็ผ้าเขาบอกเฮ็ดนังก็เฮ็ดจากมีบ่มีโลกเป็นนั่นเป็นนี่ผ้าเราติดเชื่อทั้งสั้นติดเชื้อทั้งสี่ว่าไปอีกหาเรื่องยุ่งนั่นคนเราถ้าเอาตามคำของพระเจ้ากคำมุนาวัตติโลโกตัดโลกเป็นไปตารรมกคำคำเราสร้างมาเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้เห็นไหมเ้าไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยกว็าตาย หรือมีเจตุปเจงเงินทองเยอะๆกรรมมาถึงแล้วไปหาที่ไหนก็ตายหรือไม่จ่ใครได้ปว่วยก็ตายนอนอยู่ที่อนก็ตายถึงเวลามาแล้วเห็นไหมละ่ะถ้าเราปล่อยวางตัวนี้มันก็ไม่ต้องยุ่งแล้วโรงพัาบาลแข่งกันโรงพยาบาลของรัฐบาลไม่มีเงินซื้อยาไปโรงพยาบาลเอกชน เขามียาแพนก็นมาซื้อรักษาคนไปอะไรก็อะไรก็ตรวจดีเอาหมอแพงๆเข้าไปดูแลแ <c oughs> ต่คนกำลังไหลไปหาแต่หมอหนึ่ง <c oughs> หมอไหนก็เหมือนเดิมถึงจะหายแล้วก็ยังอยู่คือตายนั่นด่าลงไปด่ากิเลสหมอที่ไหนก็ตายเหมือนเดิมนั่นแหละถ้ารักษาไม่ตาย พอรักษาอยู่มีของพระเจ้าพระองค์เดียวที่รักษาแล้วไม่ตายถ้ารักษาได้นะเพราะไม่ได้มาเกิดเมื่อไรไม่ได้มาเกิดแก่เก็บตายมาจากไหนนั่นยิงได้ย้ำให้เข้าใจยึงจะย้ำให้มีศรัทธามีความเชื่อความเลื่อมใสามาเล่งพระปฏิบัติพระเจ้าหาทุกหายากมาสอนคนแต่คนทําไม่ได้กินในนังเขา่า มึงเชื่อพระเจ้านะอาแทบร่มแทบตายทั้งกี่ปีกี่เดือนจะได้เป็นตัวพุทธเจ้าเราทําไม่ได้ทําไม่ได้อยู่นั่นสิเรื่องละเียดละเอียบข้ออยู่นั่น <c oughs> สิ่งที่ทําไม่ได้คือยังไม่ทําที่พระเจ้าไม่สอนทำไมไปทําได้เงินจํามีเท่าไหร่เต็มไปหมดเจ้าหน้าที่มีเท่าไหร่ก็ไม่พอ กิเลสนั่นกิเลสมันท่วมไปหมดท่วมไปหมดนะในกำเนิงถึงหลักศิลธรรมของพระพุทธเจ้าพเจ้าหามาสอนให้คนมีความร่มเย็นเป็นสุขไม่เชื่อพระพุทธเจ้าผลทุกทัาก็ยุ่งกันนั่นแะมันก็เข้าทำนองที่คนเราชอบจุ้งนั่นง <c oughs> ่ายล่ะโยมชนบุรีได้กี่วันแล้วสามวันนี้แล้วค่ะโอ จะกลับเมืองไทยวันไหนกลับวันพรุ่งนี้ค่ะอตโตดีแล้วแต่ม้เราก็ไม่ได้เสียประโยชน์มา <c oughs> ดูนะอยู่จังหวัดอะไรในเมือ ง, งไทยชนบุรีชนบุรีเนาะจันบุรบุรีนี่ก็วัดเยอะนะก็อะไรที่ดังๆหลวงพ่อโสธรชาชิงาชาเชาาเนาะ ปัญญ า, ค, ญ า, าค่ะัญาสังวรปัญญานสังวลาลามรัฐของส ม, มเด็จปรญญาสังวรสมเด็จพระสังฆราชนีน่ทาไว้แต่เดี๋ยวนี้ก็เลุดมไปเยอะแล้วพระทะเลาะกันแล้วเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนอยู่ในปองรองสมานสามัคคีมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เข่งคัดในหลักธรรมย์ใน วันนี้ก็เป็นหลายพวกหลายหมู่หลายพวกเข้าไปพวกหนึ่งถือปัจจัยพวกหนึ่งไม่ถือก็ไปแย่งกันพวกหนึ่งฉันสองครั้งพวกหนึ่งฉันครั้งเดียวยนั่นแหละนะเลยกเกิดติจฉากันะ่ะไม่ตรงคําสอนของพระจ้ถือกติเอาไว้หนึ่งไม่มีสองนะไปดูเถิดวัดประเทศไทยสอนวิท ย, ยุนโยมาอะไรทำายสั้งกานเจ้าค่ะ เชิญเจดยทูปจุทยานเชิญญาโจมถวายสังฆทานเชิญญาโจมตรวจน้ำต้องไปดูนะอไปนี่ไปสิวัดนะ่วัดไหนจะบอกทำบุญบ้างพระมีจิ่ลูกประเทศไทยวัดมีกี่วัดแต่ละแห่งแต่ละแห่งไปตรงไหนชนแต่พระตื่นเช้าขึ้นมา <c oughs> ทนแต่วัด และพระสันเดียมหาบหยาบอยู่เตรียมตาข้าไปกับพระใดมีแต่สี่ก่อสร้างสวยงามแต่ใจพระไม่งามคนแต่งามงามที่ใจไม่ใช่ใบหน้าสร้างเอาทะรลของทั้งโลกสร้างยังไงก็ช่างได้ แข่งกันแต่จนั่งเลยทำไมไม่สร้างใจบ้างให้ใจงามรู้จักมาได้ใจงามปเป็นยังไงไม่มีรักไม่มีโลกถามตัวเราของเรานั่นแหละทีนี้เวลาดูแล้วทำอะไรก็ไม่ถูกคาสอนของพุะอาจาเราก็ไม่ต้องไปสิให้ทำไมพวกขี้เกียจนั่งสมาธิภาวนาหาทุกข์หายากเข้าหากผักเส้นลำบากตากตํำที่อยู่ เาอยู่ว่ากันนะพวกวิภาดวิจาร์พวกเค้กคัดในหลักธรรมที่ไหนถก็มิตรู้รู้กุฏิกุตังมิตรู้รู้ก็มิแอะกนอนบัไดพระพวกงานพวกง้องมันตันทนทุกตรมานลำบากตากตา่ำ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมล่ะไอเราเอาไม่เอาไปฉันไปทิ้งเทที่ไหนกูเดี๋ยวนี้บินตะบาตขายแล้ว นั่นแหละเอาคำสอนของพระุทเจ้ามาเตือนของเราการเลือกให้พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญเลือกให้ทานไม่ใช่หลวงพ่อไปตำหนิถึงนุ่นตินี่เอาคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาพูดถูกฟังที่มาพูดอยู่นี่กัพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระทำตามคําสอนของพระพุทธเจ้าได้เห็นได้รู้ได้เห็นยังไงได้รู้ยังไงเอามาพูดถูกฟังไว้ใช่ไ้ไปท่องเอามาพูดให้ญาติโยมฟัง ไปทำแทบร่วมแทบตายเหมือนทูทธเจ้าเนี่ยถ้าทนทุกข์ตะอนอนพระอดก็อดบางปีไม่ได้นอนหลเงพ่ออยากเห็นเหมือนพระพุทธเจ้า เ, <c oughs> เห็นหรือไม่เห็นก็ปัดจัดตังรูจำพอตนถ้าบอ ก, กว่าเราใครจะไปเชื่อหรอกหลวงพ่อยิดตำาเน็จเราขึ้นไปไปหอวินทาบาทมาให้สู้สันเน่ตัว คนเรามันเชื่อยากปจ่จจตังรู้จาพระสนตพระเจ้าจึงไม่ให้ไปบอกคนว่าเป็นหนังน่นเป็นอย่างนี้แล้วรู้อู่แจ่ใจอเจริดหมดหร้อไม่หมดรู้อยู่แก่ใจรักยังอยู่ไหมโลคยังอยู่ไหมรู้อู่แก่ใจไปบอกให้ใครจะไปเชื่อหรอก <c oughs> ให้แน่นหนักภาปฏิบัติเดงส <c oughs> อพรรษามาก็หลายวันแล้ว <c oughs> นักภาสปฏิบัติภาสทำสมาธิเข้าไปทําทานแล้วก็เห็นกันแล้วเห็นไหมเหรอกีนี่แข่งอะไรว้างพวกเทียนไม่รู้กี่ที่ไหนที่ไหนไปแข่งกันว่าจะเข้าพรรษาตะไว้ทูปตะไว้เทียนตะไว้ทูปตะไวเทียนไม่บ้านไม่ช่องข่าข้าวมาเขาจุดทูปจุดเทียนไฟไม่บ้านบ้านหลังนั้นใหม่ต้องพใหม่บ้านอื่ น, นดีถามกันราไฟมาจากไหนจุดทูปจุดเทียน ไม่โบดไม่สาลาแต่วิธีออกมันง่ายประเทศไทยคลิกเกจพูดไฟฟ้ารัดวงจรนั่นผมก็จบสิธิพูดอย่างนั้นแล้วถ้าไปถามเจ้าอาวาสหลวงพ่อใครเปิดกุญแจโบดใครถือกุญแจทำไมไฟไม่โบดไฟไม่ทำไมไฟไม่สาลาตั้งตั้งมีกุญแจอย่างดีนะ ไม่ตัวเราก็ไฟว่าไฟฟ้ารัดวงจรนะไร <c oughs> การออกมันตะบากให้ละมัดระวังไม่ต้องไปรีบไปร่อนอะไรแล้วไปตั้งใจไปภาวนาไปมัน่ะช่วยกันเผยแผ่วัฒนธรรมของพระเจ้าวัฒนธรรมของพระสงฆ์ มันด้ไปวังเอาของใครไปโปดตัดแล้วก็ไปได้บริหารร่างกายอีกเล ย, น, ยนั่งอยู่นอนกินดื่อได้อย่างนี <c> ้ <oughs> แล้วก็เป็นนุ่นี๋ยวก็เป็นนี่เก็บนุ่นเก็บนี่อีกนั่นแหละให้ปฏิยามฮะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็กระพุ่งนี่ค่ะ <c oughs> <c oughs> อันนีมาเที่ยวไม่ลูกไม่มีหลานอยู่ที่นี่่ล่ะไม่มีค่ะอฮะมีเพื่อนอ๋อเพื่อนใช่ไมเที่ยไม่เพื่อนเนาะที่แล้วมาเที่ยเราก็ได้ดูได้รู้ได้เห็นเป็นบุญกุศลเดยวละเป็นพระเห็นสงเห็นวัดเห็นว่าได้มีควอมูไปที่เขาบวชศนไชตัวได้ยินเข้ามาวัดเราไปเบิ่งกันนะเพื่อน หลายวัดมันหลายพระอืนการคิดอ่านใครควพรพัญาาได้ดูได้รู้ได้เห็นไปเที่ยวไปเที่ยวอย่าไปเที่ยวให้เสียประโยชน์ไปหามาไม่ใช่ง่ายๆจุดจุดปัจจัเงินทอง <c oughs> ใช่พระเหมือนกันวัดเหมือนกันความเชื่อของเรามันไปมันไปตรงนี้แหละ <c oughs> เหมือนกันอยู่ถ้าเราไม่ได้ศึกษานะ ถ้าได้ศึกษายอยู่เหมือนกันอยู่การปฏิบัติก็ไม่เหมือนกันการกระทำ <c oughs> นะกลุ่มรู้แล้วก็ไปฝึกขนอบรมทางดีสุขปัจจุบันเสียชีวิตก็สุขเหมือนเดิมถ้าทุกข์อยู่ในปัจจุบันนี้เสียชีวิตก็ทุกข์เหมือนเดิมทุกข์ที่สุดคือหาที่เกิดเราได้เกิดมาแล้วนี่จินตุนเก่า มาด้วยบุญอยู่ด้วยบุญนะเห็นไหมละ่ะเราเกิดมาด้วยบุญเราต้องอยู่ด้วยบุญทุกข์คือการทำบุญนี่ทาบุญคืออะไรคือเราพาแต่กันนั่งไม่ใช่ทำทานนี่ทาทานมันจุง้งเท่าไหร่ก็ไม่พอ <c oughs> ไปมากับพระก็เกิดกี่เหลดแทนที่จะได้บุญก็ได้บาปของละเอียดนะทำของพระเจ้า <c oughs> ช่วยพระสงฆ์ถากกิเลสให้มันน้อยไว้ดีแล้ว <c oughs> แต่เท่าไหร่ก็ไม่พ อ, อประเทศไทยเราพินตาบาทหอบผลไปลดใส่เอาเท่าไหร่ตีเขง่งตีถาดก็ไม่รู้แล้ <c oughs> ไปถึงวัดก็ไปยุ่งอีก่าโยมก็ทะเลาะกันอีกว่าคนนั้นได้ห่อหน่อยคนนี้ได้ห่อหลาย <c oughs> เป็นห่อีิด้วยพวกเรายังห่อกันอยู่ ฝรั่งใส่บาทเขาไม่เห็นห่อเลยัก็ตัดเป็นชินน้นเป็นชิ้นแล้ก็ตัดใส่เลยเป็นหอก็เปลืองอีกพระก็ไม่ฉันในบาทอีกฉันในหอดอีกว่ามันแทบนั่นผิด ธ, ธรรมเราดิบคิดว่าฉันเพื่อแทบพระเจ้าจึงให้บังคับจีเลรศไปบังคับปรแท็บยังไดงค้นค้นค น, นไปไปว้าฝรั่งวันตาั เขาใส่ตุนหอมห่อมาพระไทยยังไม่อยากจะเทลงก็ป้นกวนนมก็กราดองเสียงกระโผยังเทพํากันเลยทั้งจิงดิถึงจะใส่ไฟฟ้าเขาเมาเหล้าไปยุกเกาะร้างเห็นฝันใส่ไฟขึ้นเท่านั้นโอ้ยโอ้ยไปพระทาไมไปใส่ใช้ไฟ ถามพวกเขาแปลของวันไปวอยว้อย่างนั้นะพวเขาหงุดหงดว่ามันไปอย่างไว่าพระทำไมไม่ใช่ไฟแบบนีเ้นขเขาจะใครกังเพือนนั่งสมาธิภาวนาไว้ใต้ไฟคุ้ยกันเล่นที่ใส่ได้บ้างหรอตังเว้นมีแล่าลั้งขึ้นไม่เล่าไปเหตุยัางธรรมชาตินันเห็นว่ารักษาธรรมชาติจูไปธรรมชาติก็สบาย ปฏิบัติธรรมชาติตามธรรมชาตินี่อย่างนีง้บอกแล้วประเทศไทยประเทศจอมปอมห้องน้ําจะมีห้องน้ําทองคําเห็นไหมล่ะปลอมไหมล่ะหรือลังคาบ้านอีกไม่รู้จะเอาอะไรเขาจะทองคําขึ้นมุงล่ะแต่เมื่อก่อนผูดด้ใดทีฝาจับตองมีไผ่หนาโมงบ้านกบาลด้วยต่อมาอีกผู้ใดมีไหม่โมงบานโม่ด้วย ต่อมาอีกก็ะมิกระเบื้องต่อมาอีกก็ะมิ้งทั้งกะสีต่อมาอีกกว่าสันไทยต่อมาอีกที่ว่าสแตนเลสต่อมาอีกว่าทองคําำตัวไหนเว้นแต่หัหัวบ้านคนเพรกนถือกันกติรั่วจิ้มได้ปบบจุ่มเหมือนนี่โอ้ยเาเดี๋ยมเงียบๆบาทหนึ่งบาทตางเปนบาทเขาถึงใจแบบ น, <c oughs> นี้จะได้เพื่อใส่เดี๋ยวเขามาขอล อ, องกันอยูน่นี่ขอเงินคาใส่ใจขึ้นนี่ เวียเรียมค่าแรงงานวันละสี่ร้อยห้าร้อยเข้าไปแล้วอ๋อพิธีแุกคนประมาทพิธีแต่บุญไหว้น้านค่าเขาขึ้นของ น, นั่นไม่ว่าจะได้เฉพาะพวกว่าติดอยากเร้ปพวกธรรมาหาเรื่องคิดว่าของมันแพงอีกแบบนัน่นเห็นว่า่ะ <c oughs> รับสินหาไปละอออแต่เราสินอธิษฐานเอาเลยนะอธิษฐานเอาเหมือนเรารับสินแปดสินแปดก็ท่องโอาสินห้าก็ท่องโอาเนยแต่รับกับพระเราถ้ารับไปแล้วสินห้าก็ไม่ได้พิษอีกก็บาปเอก <c oughs> จะมีสินบริสุทธ เจตนาหังพิกเวทที่ลังวดามินั่นอยู่ที่เจตนานะอย่างพระสงฆ์รับสินขังเดียวใช่ไหมหลอะาติโยมเศร้าก็สินห้เยอะก็สินแปดเก็สินหา้าเยอะสินแปดอยู่เหมนแต่เวลาออกไปเราก็ไม่รักษาปานาเปนว่าขาปานาผาปาในตุ้มบวเป็นยัง น่าและก็หอกเราไปวัดทำบุญ ห, หาคุยกันว่าขวนกันว่าเรื่องลูกเขยพูดนั่นดีลูกสาวพูดนี้ดีพู้นั่นดีพู้นนั่นรวยพูดนี้ขีลไร่ไป ห, หาตำแหน่งคนนู้นคนนี้แต่พระเจ้าให้เตือนตอนเองดีแล้วมาเกิดทำไมไปดูคนอื่นทำไมตนเตือน ต, อ น, ตอนไม่ได้ก็เราจะเตือนต้องเตือนตอนเองต้องสอนตอนเองไปสอนคนอื่นไม่ได้ นิตรปาบเกล็ดนะเรามีปัญญาเราก็ปาบเกล็ดได้ถ้าไม่มีปัญญาปาบเกล็ดไม่ได้เรืร่งลลองหน้าดุลกุศลนอกตนดัชฌมุกหลานดัชฌพี่น้องไดชเ ส, สลามาทํ <c oughs> าทานก็ดีเศบาฐาก็ดีภกษาศิลก็ดีเจริญเมตตาภาวนาตามคําคสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีเป็นบุญกุศลบุญกุศลที่เราได้ปฏิบัติมาแล้วบุญกุศลของคุณ พ, พณระพุทธเจ้าคุณปฐมคุณปัทโ์ และสิ่งต่างๆต่างๆในศาสนากลรกนี้ก็จงมารวมกันจงปกป้องปกปักรักษาคนแท้จงมุขหลานญาติพี่น้องจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขกายสุขใจหายจากทุกโศกโรคภัยทางานถึงใดเกเงินถึงใดปัจจณาสิ่งหนึ่งอันใดก็จงสาเร็จจงสาเร็จโดยเฉพาะใ้เราทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเจงพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติแต่จงมีดวงกิดดวงใจเห็นสินเห็นธรรมในพรกชาตินี่เถอด